สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยวินเนอร์99พี่ปูวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในอาคารพาณิชแห่งหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าต้นไม้เจ้าปัญหา เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่สองของเราในค่ําคืนวันนี้กับสายของพี่ปูครับสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีจ้าปูเสียงดังฟังชัดดีมากโอเคนะพี่ปูสบายดีนะนะสบายดีจ้าวันนี้ฟังเสียงพี่ปูแล้วสดใสมากเลยฮะอาการป่วยต่างๆค่อยๆดีขึ้นแล้วเนาะ อ่ก็ดีขึ้นแล้วก็พี่ทำใจเรื่องคุณแม่ได้ออ ก, ก็เลยดีขึ้นนะฮะทุกอย่างเลยเนี่ยคืออยากจะบอกว่าชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปนะพี่ปูะนะสู้ๆนะวันนี้มาแวะเวียนมาเล่าเรื่องหลอนๆให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องต่อเนื่องที่อาคารพา น, นิชย์แห่งดนึงต่อจากเรื่องที่แล้วใช่ไหมฮะ ใช่จะใช่โ อ, อ้นะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของต้นไม้เจ้าปัญหามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับพี่ปูเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับค่ะก็หลังมันหลังจากเกิดเรื่องที่ตึกพอพวกพี่ย้ายออกครับมันก็เลยทําให้ให้อาคารที่พี่เคยเช่าทำฟิตเนส่ะมันมันไม่สามารถที่จะให้คนเช่าได้ครับเขาก็เลยต้องปิดลายพอเขาปิดลายได้ประมาณไม่กี่เดือน อ่าทางลูกชายเขาก็กลับมาแล้วก็ทําเรื่องขายอืมปรากฏว่าไม่มีคนซื้ออืมเนื่องจากว่าเมืองที่พี่เมืองที่อ่าจังหวัดที่พี่ไปเนี่ยมันยังเป็นเขาเรียกว่ า, น, าน่าจะเรียกว่าเป็นยังเป็นกึ่งเมืองปิดก็คืออย่างเป็นลักษณะที่ว่ายังไม่มีการทํากิจการอะไรมากมายนะักครับ ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านอืมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคก็เลยก็เลยเขาก็เลยตัดปัญหาด้วยการทุบตึกอืแล้วประกาศให้ขายเป็นที่ดินคือทุบตึกทิ้งขายที่ดินเปล่าแทนใช่ครับทีนี้พอเขาทุบตึกเนี่ยมันเลยทําให้รู้รู้ว่ า, าตึกตึกตรงเนี้ยที่สร้างสองข้างของเขาก็จะเป็นพื้นที่ดินของเขาเหมือนกัน ซึ่งเขาปล่อยไว้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นป่าอ่าแบบมันก็จะขึ้นเป็นต้นหญ้าต้นไม้อะไรเะไรก็เะใช่ไหมคะคแต่มันจะมีทางเข้าซึ่งพอทุบตึกไปปุ๊บเนี่ยเราเลยเห็นเลยว่าพื้นที่ว่างที่อยู่ข้างหลังตึกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าโลง่งแล้วมีต้นตะข บ, บที่ใหญ่ใหญ่มากอ่าตัวต้นเนี่ย อ่ากว้างก็คือประมาณหลายคนโอบแล้วก็แผลกิ่งก้านเนี่ยด้วยประมาณสายตาเนี่ ย, ยกว้างประมาณตึกสองห้องไล่เลยคือใหญ่จริงๆแล้วดูลักษณะแล้วน่าจะเก่าแก่จริงๆทีนี้พอเขาทุกตึกเนี่ยด้วยอ่าของแปะเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบเก็บเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ของแกจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบที่มันเป็นสีดำๆหนักๆเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มันมี ลวดลายฝังมุก อ, อะไรเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยใช้วิธีซื้อไม้จากโรงไม้พี่เนี่ยเป็นไม้เขาเรียกไม้เซียมเขาก็มาทําเป็นซี่ๆกั้นเป็นเหมือนห้องใหญ่ๆแล้วก็เอาของเข้าไปเก็บแล้วก็คุมด้วยเสน้อน้ำมันแล้วก็คือล็อกเป็นกุญแจอ่าแล้วก็ทีนี้ตึกสมัยก่อนจะไม่เหมือนสมัยนี้ตรงที่ว่าเวลาเขาทุบอะ่ะมันมันไม่ได้เกลี้ยงเหมือนสมัยนี้ มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนมันยังคงมีกำแพงบางด้านเหลืออืมแล้วก็ตัวเหล็กเหล็กดัดของหน้าต่างมันจะลักษณะเป็นเหล็กกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเหล็กกลมๆซี่ๆเขาก็จะถอดแล้วก็มากรองรวมกันไว้ข้างล่างแล้วก็จะมีอ่างน้ําที่อยู่ในห้องน้ําที่เป็นหินซึ่งบางใบก็โดนทุบจนแตกแต่บางใบก็ยังอยู่ในในสภาพที่ยังดีอยู่ก็วางกองเอาไว้ครับทีนี้มันมันเหมือนกับ สมัยก่อนนะเนาะมันเด็กมันไม่มีของเล่นน่ะมันไม่เหมือนสมัยนี้เขาก็จะอ่าพวกนี้พอมีาลานโล่งๆมีต้นไม้เขาก็จะไปวิ่งเล่นม้างไปปีนเก็ตลูกตะขบบ้างครับซึ่งมันก็จะมีเป็นเหมือนกับกลุ่มลูกคนงานเพราะเนื่องด้วยออฟฟิศที่พี่คือบ้านหลังที่พี่อ่าที่ที่ออฟฟิศที่เช่าอ่ะมันไม่ไกลกันมันทําให้ลูกๆคนงานเนี่ยก็คือมาเล่นที่นี่เป็นประจำ แล้วมันมีช่วงสวะหนึ่งที่พอดีว่าพี่ได้รับออเดอร์ไม้จากแต่ฮะเ่งที่ น, ค, น, นครปนมพี่ก็เลยจะต้องตีรถเทเลอร์เพื่อที่จะมาเลือกไม้ที่นี่ซึ่งกําลังจะคืออ่าเอาข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งพี่ก็เลยต้องมาอยู่ที่ออฟฟิศเนี้ยประมาณสองอาทิตย์เพื่อเลือกไม้ชุดนี้กับรอไม้รถใหม่มันก็เลยทําให้พี่มีโอกาสที่ว่าจะต้องผ่าน ผ่านตรงตึกเนี้ยเป็นประจำแล้วจังหวะช่วงนั้นพี่ได้พี่พี่พาคนงานมาด้วยประมาณสองสาคนแล้วก็จะมีคนงานใหม่ที่รับมาบก็จะใช้วิธีนั่งท้ายรถกระบะกันใช่ไหมคะครเราจะเลิกงานกับประมาณเกือบสองทุ่มสองทุ่มเนี่ยเราก็จะต้องขับรถจากตัวที่เราเก็บไม้กดังเก็บไม้ในพืชที่จะมาออฟฟิศเราก็จะต้องผ่านตรงหน้าที่เนี้ยเป็นประจำแล้วเวลาผ่านเนี้ย ความรู้สึกของของเราคือเราเราไม่รู้เราไม่รู้ประวัติตอนนั้นคือพี่ยังไม่รู้ประวัติของตึกอันเนี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะเห็นเป็นเหมือนมีคนบางทีก็เห็นมีคนเดินอยู่ในที่นั้นอะ่ะพี่ก็เอ๊ะเขามาทําอะไรมันทําไมดึกๆยังมาเดินอะไรกันอยู่อซึ่งเวลาพี่เห็นเนี่ยพี่ไม่ได้ทักพี่ก็ไม่ได้ถามใค ร, ครพี่ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่พี่เห็นเนี่ยคือพี่เห็นคนเดียวอื คนงานอะไม่ได้เห็นกับพี่เลยครับทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้ยินสิอ่าคนงานเขาคุยกันอือขี่มากเลยพี่ก็เลยถามถามว่าเป็นอะไรทําไมถึงอ่าคุยเรื่องอะไรกันครับเขาก็เลยเล่าให้พี่ฟังว่าเนี่ยเวลาเขานั่งท้ายรถกระ บ, บะมาออืเขามักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไหอ้อืมอืมอืมอะบางทีก็ร้องแบบ เหมือนร้องให้ช่วยบ้างร้องแบบหอยหวนบ้างพี่ก็ถามว่าเราได้ยินทุกวันเลยเหรอซึ่งตัวพี่นะ่พี่เริ่มรู้สึกไม่ดีว่ามันไม่ควรจะมีเสียงประเภทนี้ไงคะ ค, ค, คนงานบอกมันก็ไม่ทุกวันนะแต่ว่าคือเวลาได้ยินอะมองหาแล้วมันไม่เห็นอะไรเลย嗯嗯คือไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรที่แบบน่ากลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เสียงผู้หญิงมาจากไหนใช่ไหยคะ ก็จนจนมีอยู่วันหนึ่งคนงานพี่สองคนเขาก็เหมือนกับเขาอ่าออกไปธุระรแล้วพี่ก็เลยบอกอย่างนั้นก็ให้กลับเองเขาก็เลยอาศัยขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสองคนคทีนี้พอปรากฏว่ามาถึงตรงหน้าที่ตรงนั้นนะคุณแจ็คเขาได้ยินเสียงคนตะโกนให้ช่วยเขายืนยันแล้วว่าเป็นเสียงผู้หญิงเขาก็เลยเข้าใจว่าอ่าสงสัยเป็นแบบ ผู้หญิงโดนฉุดมาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าออืเขาก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งเข้าไปครั บ, รบก็วิ่งเข้าไปตรงที่ที่แบบเหมือนกับตามซอกตามอะไรที่ของตัวตึกอะค่ะที่เขาทุบไปหมดอะก็ไม่เจอออืแล้วเสียงมันก็ยังดังอยู่เขาก็วิ่งเขาก็เลยวิ่งยังเข้าไปเรื่อยจนกระพังไปถึงต้นตะขบกับอ่าที่เขาสร้างเป็นที่พี่บอกให้ที่เขาเก็บเฟนิเจอร์อะค่ะคเขาก็ยือนอยันเลยว่าตอนแรกเนี่ย อ่าเขาได้ยินแล้วนะว่ามันน่าจะมาจากทางต้นตะขบออืแล้วพอไปถึงต้นตะขบมันกลับได้ยินมาจากทางห้องเก็บของออเขาก็ไปเดินวนหากันก็ใช้ไฟฉายส่องนะค่ะครับผมไม่เห็นนะแล้วสมัยก่อนไยสายมันจะเป็นอันใหญ่ๆที่เป็นสีเงินล้อหน้าหัวมันจะใหญ่ๆอ่ะก็จะมันเปินสีส้มๆใช่ไหมคะครับครบเขาก็ใช้อันนั้นอ่ะส่องส่องเขาก็ว่ามันจะเข้าไปในที่เก็บ เฟอร์นเจอเก็บของเขามันก็เป็นเป็นไม่ได้เพราะว่าคุณแจมันล็อกอยู่ไอ้ตัวไม้ที่เป็นซี่ๆิี่กั้นเปลูกกรงค่ะมันก็ไม่ได้มีช่องทางไหนที่จะเข้าไปได้ไงคะเขาก็เลยตัดสินใจกันว่ากลับกันดีกว่าคือมันไม่เจอะยังไงก็ไม่เจอถ้ามันใจนี่จริงๆก็คือมันต้องไปตามคนมาช่วยกันหาทีนี้พอกลับมากลับมาถึงเที่ยวฟิเขาก็มาเล่ามาเล่าให้คนงาน คนที่อยู่ก่อนนะคะคฟัง ค, คนยังเขาบอกเอ้ยเขาก็เจอนะอแล้วพวกเขาก็เคยเข้าไปแต่ก็ไม่คือคือไม่เคยเห็นอะไ ร, รไม่เคยเห็นอะไรเลยทีนี้มันหลังจากกันอีกกไม่กี่วันก็บังเอิญตะเพรินขี้เมาเนี่ยแกเอาหัวเทเลอร์วิ่งเจากนครพนมลงไปครับแล้วแกก็เข้าไปกินเหล้ากับตะสมอืมก็ไปเงินเข้าตัวเมืองกลับมาก็คือสภาพเมาอะไรล่ะคะ่ะ ก็มาถึงก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยออืทีนี้ตะเพิ่นเขาก็จอดรถเขาก็พากันเดินไปดูกับตาสมครับตะเพิ่นบอกตาเขาไม่ได้ฝาดเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนมีหัวคนเนี่ยค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากไอ้อ่างอ่างน้ําอ่ะคแจ๊คทไิได้ว่ามันเป็นอ่านมันขึ้นวงกลมแล้วก็เป็นหินขัดนะคะ่ะครับเขาบอกว่ามันเป็นหัวเหมือนเป็นหัวำดำๆเนี่ยโผล่ขึ้นมา เขาก็เอาไปฉายส่องอเพราะตอนแรกเนี่ยคือมัอนเหมือนกับแสงไฟมันแค่ส่องผ่านใช่ไหมฮะครับพอเอาไปฉายส่องตรงๆไม่มีมไม่เห็นก็ได้ยินเสียงมาจากอีกด้านหนึ่งเขาก็เลยพากันไปดูปรากฏ ว, ว่าพอเลี้ยวจากอคุณแพคคุณแจ๊คนึกถึงกําแพงที่โดนทุบแล้วมันเหลืออยู่เป็นเศษๆแล้วมันกั้นอยู่นะฮะอพอเลี้ยวจากตรงข้างกําแพงปุ๊บเนี่ยก็จะเจอไอ้กองเหล็กอะ กองเหล็กที่บอกว่าเป็นเป็นเหล็กกาดอ่ะเขากองซังซังกันอยู่ค่ะปรากฏเขาเห็นเป็นผู้ชายออืผูกคอด้วยเชือกตับเหล็กอันนั้นนะคะคแล้วนั่งพิงกองเหล็กลิ้นจุก ป, ปากตาถลนผูกคอตายใช่ทีนี้ตะเพิน่นเขาเป็นคนเห็นก่อนครับเขาก็ร้องลั่นเลยลั่นประสงคมเขา ก, ขาก็แบบเหมือนกับตะโกนเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็วิ่งไปดูไปดูปรากฏ ตาสมไม่เห็นแต่ตาเพลินนี่คือจะยืนฉี่าดแล้วอะ่ะออแล้วตาสมพบแล้วตาเพลินเขาก็ร้องผีหลอกอีกออกอีกออกตาสมเขาก็เลยลากตาเพลินจังหวะว่าพอวิ่งขาวิ่งกลับที่ตาสมลากตาเพลินมาค่ะปรากฏผู้หญิงอะ่ะขึ้นมานั่ง อ, อยู่บนขอบบ่ อ, อบ่อที่บอกเป็นอ่างอะค่ะทีนี้เขาพอไฟแสงไฟสาดปุ๊บเนี่ย เป็นผู้หญิงผมยาวปิดหน้าปิดตาท้องแล้วก็เลื่อนเนี่ยอาบเต็มขาเล ย, ยเขาก็เลยพากันลากไฟโมอเตรสง่งรถตัดสายไม่เอาจอดที่ตรงนั้นก็วิ่งกันล้มลุกคขาเลยอะคะ่ะปากเปิดแตกเลยวิ่งกลับไปเที่ยอวอฟิตไปถึงก็ไปแบบเหมือนกับไปเล่าแต่ด้วยตสมกับตะเพรนอะแกเมาคนงานก็เลยตีว่าเป็นเพราะเมาไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครเชื่อครั บ, รบทีนี้ตะเพิ่นเขาก็พูดเขาก็พูดว่าคืออย่าลืมนะว่าเขา่ไม่ไม่เคยมาที่นี่ครับแล้วไอ้ที่เขาเห็นเขายืนยันเลว่าเป็นเป็นเป็นคนจีนเป็นอกแปะแล้วตาสมก็บอกผู้หญิงนี่ก็ผู้หญิงคนจีนครับพี่ก็เลยพอพี่ฟังพวกพี่ฟังพี่ก็เลยถาม ก็ถามกับเสาเหียนเสมาเียนเขาก็อึเกอเขาก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังเพราะด้วยเขากลัวว่าเดี๋ยวพวกพี่อ่ะจะไม่กล้าขับผ่านเส้นทางนี้คือตอนนั้นถนนมันไม่มีทางอื่นอ่ะคุณแจ็คถนนมันน้อยมากอ่ะมันจะมีแค่เส้นเดียวที่ที่เราจําเป็นต้องผ่านจริงๆทีนี้พี่ก็บอกว่าถ้าไม่เล่าเนี่ยคือคนก็จะมองว่าคือเขาเมาแล้วเขาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเล่าเนี่ยอย่างน้อยเรายังรู้นะเขาก็เลยยอมเล่า ก็คือเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่พี่เล่าข่าวที่แล้วทำให้พี่ก็เลยรู้ว่าก็แสดงว่าคือทั้งนัตแปะแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยคือยังไม่ได้ไปไหนพี่ก็เลยพูดคนงานว่าเอาอย่างนี้ละกันสักทุ่มหนึ่งก็กลับกันได้แล้วคือฟ้ามันเริ่มไอ้นี้ก็หยัดไปแค่ละกัน ค, คือพยายามจะผ่านเส้นทางนี้เราก็เลิก ง, งานให้เร็วหน่อยทีนี้คนงานพี่เขากับมองชุดเนี้ยด้วยความที่เขา เขาเป็นชุดที่มาทีหลังอืม hmm. เขากำลังว่าเป็นเรื่องตลกที่พี่เชื่อคนเมาครับ hmm. อ่าทีนี้มันมันก็มีอยู่วันหนึ่งพวกเขาก็เหมือนได้รับเงินเดือนอืม hmm. เขาก็เลยพากันเข้าเมือง hmm. ก็ขออ่าขอรถกระบะไปก็ไปกันทั้งคันนะคะ hmm. ทีนี้พอขากลับเนี่ยด้วยความที่คือกลุ่ ม, ก, มกันได้ที่ละ hmm. ก็จะมีแต่คนคนขับเนี่ยที่ไม่เมาอื hmm. ทีนี้พอไปถึงเนี่ยก็ได้ยินเขาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วย ก็คนงานก็เลยพากันกลูงไปรอบนั้นน่าจะประมาณเจ็ดแปดคนได้ก็เหลือจะคนขับเน็ตที่นั่งอยู่เพราะว่าเขาบอกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคือให้เตรียมสตาร์ตรถแล้วจะได้พาแบบเหมือนกับช่วยผู้หญิงพาขึ้นบนแล้วก็กลับกันได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคนขับเขาก็เหมือนกับเขาก็โอเคเขาก็นั่งอยู่ในรถคนเดียวเขาก็เปิดเหมือนกับเปิดไฟหน้ารถดวงเล็กๆเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะที่เหลือเขาก็เข้าไปก็ไปไปฉายก็มีแค่สองอัน Hmm. แล้วก็คนงานเป็นกลุ่มก็พากันไปเดินหาทีนี้ไปไปเดินเหมือนกับเขาก็ไปกระจายหากันนะคะคร <Huh. S 2> ัวก็มีเสียงคนเรียกอื uh เรียกช่วยดังมาจากต้นตะขบอื hmm. ทีนี้ก็พากันเดินแบบเหมือนกับเขาก็เหมือนกับว่าเขาเล่าให้ฟังเขาเรียนเหมือนเรียงหน้ากระดาน <Huh. S 2> ตรงที่ว่าเขาเขาเขื่อเกิด อ, อะไรขึ้นจะได้ช่วยกันได้ออื hmm. ทีนี้พอไปถึงตรงต้นตะขบ คนที่เขาเดินอยู่หนรอบนั้นนะคะก็ะจะมีอยู่คนหนึ่งเป็นคนงานคนนี้รู้สึกน่าจะเป็นอ่าพมา่าด้วยออืแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงใต้ต้นตะขบแล้วมันมีเขาบอกมันมีน้ําเนี่ยหยด嗯嗯ตอนแรกเนี่ยคือไม่ได้โดนที่เขามันเหมือนมันหยดผ่านหน้าเขาครับเขาก็ก้มลงแล้วด้วยตัวเขาเนี่ยเขาไม่มีไฟสายอืเพราะอยู่ที่เพื่อนแล้วเพื่อนก็เหมือนก็เดินกระจายกันหมดก็เหลือตรงเขาว่ายืนอยู่ตรงจุดนั้ น, นะคนเดียวค ทีนี้เขาวันก็หยดแบบพอมันหยดกอบที่สองเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นไปออืเพราะกลที่กิ่งต้นตะขบอะค่ะมีผู้หญิง ม, มีเงาผู้หญิงอะนั่งอยู่ข้างบนคบแล้วมันก็มีเป็นน้ะเหมือนหยดลงมาเรื่อยๆออทีนี้พอหยดรอบเนี้ยมันเหมือนมันโดนหน้าเขาไงคุณแจ๊ ค, คเขาก็เลยเอามือปาดแล้วก็มาดม เขาบอกมันเป็นกลิ่นเหมือนเลือดเน่าๆน้ำหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับเขาก็แหกปากร้องร่านเลยแล้วทีนี้ก็พอพอแต่แลราก็เหมือนกับตัวเองแบบไงายท้องครับแบบเหมือนเข้าอ่อนอะคะ่ะค่ะก็เสียงคือข้างบนงหญิงข้งบนก็หัวเราะออืแบบเสียงดําแหลมเย็นๆนะคะครับ ทีนี้คนแม่เนี่ก็วยวายวกเววกเววกเวกนมาเพื่อนก็วิ่งมากันแล้วปรากฏไอ้กลุ่มนั้นน่ะค่ะเขาก็จาดไปฉายขึ้นไปก็เป็นผู้หญิงก็นั่งห้อยเท้าอยู่ข้างบนเห็นกันหมดแล้วมันเห็นหมดเลยค่ะแล้วมันเป็นเหมือนที่ง่ามขากุแจ็คมันเป็นเลือดไหลๆๆๆๆๆๆๆๆๆลงมาเท่านั้นแลคือแหกปากล่ากนวิ่งไปที่รถกระบะ ก็กดไปถึงที่รถกระบะคนขับหายคุญแจ็คอ้าวคนขับไม่อยู่ในรถประตูรถเปิดอ้าซ่าเลยค่ะอุ้ยครับก็ทําไม่รู้จะทํายังไงจะให้ขับรถก็ขําได้ก็คือรถ ก, ก, กระบะก็ทิง้งเอาไว้ยังไงคุณแจ็คคือต้าหายหายจริงจนะริงนะเพราะกุญแจแล้วก็เสียบคารถเขาก็พากันวิ่งกลับออฟฟิศว่ากดไปเจอไอ้คนขับเนี่ยนั่งสั่นอยู่นั่งสันอยู่ในออฟฟิศพี่กําลังเอาหนามให้กินบอดีมันก็นั่งปากละลำ่ำละลักละล่ำละละัก ก็เลยถามว่าอ่าพี่ก็พี่ก็ถามว่าเป็นอะไรมันก็ไม่เล่าอ่ะแบ บ, บเหมือนคนสติแตกอ่ะคุณแจ๊คครับทีนี้ทีนี้ก็ต้องอรอรอจนสงบสติอารมณ์ได้ไอ้ระหว่างนั้นไอ้พวกคนงานก็โวยวายกันเรื่องไอ้ผู้หญิงว่าเนี่ยโหมันแบบมันทะลักเลยนะเลือดอย่างนั้นอย่างนี้แบบคุยกันอะไรนี้ใช่ไหมคะครัทีนี้พอคนขับมาเริ่มสัง้ส ง, สงสติได้พี่ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ เขาบอกว่าตอนที่เขานั่งรอเนี่ยคืออยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งมาเคาะกระโตกเรียกออืเขาก็เลยเปิดครับทีนี้มะเขาก็บอกว่าช่วยด้วยให้ช่วยเขาด้วยเขาก็เลยให้ขึ้นมานั่งข้างๆคครับพอ ข, ขึ้นมานั่งข้างๆเสร็จเขาเขาก็เหมือนกับชวนคุยว่าแบบ ม, มาตรงนี้ไม่กลัวเหรอออือมไม่รู้เหรอว่าตรงนี้มันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าด้วยสัมเนียนที่ฟังอ่ะ เป็นเป็นคนจีนที่พูดไทยไม่ค่อยซัดเขาก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่เพื่อนเขาเยอะแยะไ<อ>ม่เป็นไรเดี่ยเพื่อนเขาไปดูไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าแล้วแต่เจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เลยบอกว่ามันอยากรู้เหรออือันนี้เขาบอกอ้าวแล้วแต่เจออะไร<อ>เขาก็บอกอะไรอย่างงั้นเดี๋ยวเขาให้ดู<อ>เขาก็พูดประมาณเหมือนเขาก็าจะเขาจะให้ดูว่าเขาเจออะไรออืเอก็ประมาณเหมือน เออรู้ดูนี่นะแล้วเขาก็ดึงเชือกที่ที่กางเกงเขาหอกมาแล้วในรถกระบะตรงประตูด้านบนอ่ะมันจะมีที่จับมือใช่ไหมคุณแจ๊ครับครับอแปะเนี่ยเอาเชือกผูกกับที่จับประตูแล้วผูกคอตัวเองอุยแล้วก็ทิ้งตัวลงไปที่ช่องคนนั่งข้างหน้าครับแล้วพอทิ้งตัวปุ๊บคือลิ้นจุกปากตาตาทะลักอะค่ะไอ้นี่เท่านั้นแหละคือแหบปากร้องอันแล้วเปิดประตูวิ่งพวกวิ่งกลับออฟฟิศเลยครับ ทีนี้พี่ก็บอกว่าอ้าวแล้วตอนที่คนงานมาที่รถอ่ะเขาบอกไม่มีอะไรที่รถไม่มีอะไรเลย ค, คือประตูรถเปิดอยู่ที่นั่งคะคนขับมาด้านบนมีไฟเปิดไฟสีส้มไว้ดวงนึงอือแล้วแต่ไม่มีอะไรรับรองก็คือไม่มีคนผูกคอตายไม่มีอะไรทั้งหมดเลยครับทีนี้พอถึงตอนเช้าพี่ก็เลยต้องอ่าให้คนขับรถเนี่ยคือเดินกลับไปเอารถใช่ไหมคะคุณแจ๊อ ปรากฏว่าที่รถอะคุณแจ๊คฝั่งที่บอกว่าแอาอาเจ็กแอแปะอะไรเนี่ยมาผูกคอตายอะ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเหมือนรอยมือควนอะแปะแล้วลากลงมาค่ะเป็นภาพอืบแต่ลอยมันไม่ได้อยู่นอกกระจกนะคะด้านนอกมันอยู่ข้างในมันอยู่ในรถใช่นนโอ้โหครับทีนี้ก็ก็เลยต้องเอารถออกมาล้างทําความสะอาดอืพี่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะก็คือพยายามเลี่ยงแล้วกัน เพราะเพราะเราไม่รู้จะทไงหนึ่งคือที่ก็ไม่ใช่ที่เราอืเราจะไปยุ่งกับเขามันก็ไม่ได้ครับทีนี้มันมันเหมือนมันแจ็คพอตมาแตกอยู่วันหนึ่งตรงที่ว่าคลูกคนงานเนี่ยด้วยความที่ชอบไปวิ่งเล่นอืมไปเก็บลูกตะขบกินอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะครับก็พี่กลับมาประมาณหกโมงครึ่งละเขาตามหาเด็กไม่เจอพีก็เลยบอกว่าเออก็เลยพากันตามหาก็ มีแม่เด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยลูกอะ่ะชอบไปเล่นกันที่ต้นตะโขบตรงที่ตรงเนี้ยไปเก็บรูกตะโขบมากินพี่กำลังเลยละคือก็จะให้พี่ไปพี่คิดหนักแล้วตุงแจ็คแต่ด้วยคือเด็กคนนึงอะ่ะเราไม่รู้จะทำไงก็เลยรวมรวมคนงานซึ่งซึ่งวันนั้นบังเอิญด้วยว่าคนงานพี่เนี่ยเข้าป่ากันหมดข้ามป่อนกันหมด ก็เหลือคนงานประมาณไม่ถึงแปดคนน่าจะหกคนหรือห้าคนนี่แหละแล้วก็รวมพี่กับเมียคนงานอีกสองคนคก็ถือไปฉายกันไปมีอยู่แค่สามสี่กระบอกอืก็บอกว่าอาจถ้าจะไปเนี่ยก่อกลุ่มนะมคือเจออะไรเจอด้วยกันครับก็ไปหาไปหาจนรู้ว่าไปดูในบอ่อไอ้ที่มาเป็นบอ่อคือเด็กเหมือนเด็กเล่นซ่อนแอบมันก็น่าจะหลบได้ใช่มันแจ็คในบอ่อก็ไม่มี แล้วก็พอไปดูตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นกองก็ไม่มีก็ไปที่ต้นตะกบไปถึงต้นต้นตะขบเลยค่ะก็ไม่เจ อ, อแต่ว่าได้ยินเสียงแบบเหมือนคนค้างเฮงอย่างเงี้ยเฮงอย่างเงี้ยแบบมันเป็นระยะระยะไงค่ะก็เลยก็เลยแบบอุ้ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหรือว่าเด็กมันจะไปเล่นที่อื่นเพราะเสียงถ้ามาอย่างเงี้ย สักพักหนึ่งมีมีโดนกันแน่เลยนะก็ะคือมันมันเริ่มมืดแล้วไงคะแล้วผีตากว่าอ้อมอะ่ะคือคืวันนั้นเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นแสงสีส้มๆเป็นแบบเหมือนฟ้าแบบอนี่เลยอะคะ่ะผู้เใช่ใช่มัน ม, ม, มันซึ่งพักหลังเนี่ยมันนานๆพี่จะได้เจอทีไงก็เลยคุยกันแล้วสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปข อ, อ่ไปตามคนเฝ้าที่ดีกว่าคนดูแลอือยังไงเนี่ย ให้เขาเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยอย่างน้อยเราก็ยังมีคนเยอะใช่ไหมคะก็ปรากฏก็คือพี่ก็เลยขี่มอไซค์ไปบ้านคนดูแลแล้วบอกว่าเนี่ยคือเด็กเราอ่ะหายในที่ดินหรือ่นเนี้ยเขาก็เลยถามเขาบอกอ่าหายนานหรือยังบอกเด็กไปเล่นวันนี้แหละแล้วก็หายวันนี้เขาก็เลยคว้าอ่าทูบไปกรรมนึงแล้วก็อ่าไม่ขีดแล้วก็บอก่ะ ก็ไปถึงเขาก็ไปจุดผูปปากตรงต้นตะข บ, บแล้วกุญแจเนี่ยไปไขที่โกดังเก็บของอไปไขเสร็จเขาก็เปิดเขาเรียกอะไรเปิดเส้นน้ามันขึ้นอยู่นี้ข้างในเนี่ยพอเขาเปิดพี่ก็เลยเห็นว่าข้างในเนี่ยนอกจากโต๊ะโต๊ะเก้าอี้แล้วอ่ะมันยังมีตู้ไม้ที่บานประตูมันเป็นลักษณะเป็นรูปดอกบัวแล้วก็ฝังเป็นมุกเงินๆนะคบอ่า ถ้าคุนึกถึงตู้ข้างบนมันจะเป็นหน้าแคบแล้วข้างล่างเป็นหน้า ก, ากว้างๆคุณแจ็คครับสง้งเหมือนสามเหลี่ยมหัวตัดนะ่ะแจ็กคกุณผมไหม น, นึกออกค่ะนึกออกนึกวันจีนโบราณครับใช่ใช่ก็ไปกระชากไอ้ประตูตู้เนี่ยแจ็ก็ไปกระชากประตูตู้ปรากฏมันเหมือนมันล็อกอือจ็คบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะตู้ใบเนี้ยมันล็อกไม่ได้ครับแกก็เลยจุดทูบอีกดอกหนึ่งแล้วก็ปากหน้าตู้อืมแล้วแกก็บอกว่า เด็กที่หาย <heh> อ่ะเด็กผู้ชายใช่ไหมครับบอกใช่แล้วแกก็แบบเหมือนจะ ก, ก็พูดเป็นภาษาจีนนะคะออืแกก็พูดพูดพูดพูดแล้วเสร็จละพอแกบอกว่ า, อ, าอดใจรอหน่อยนะอาจจะนานหน่อยแต่ต้องรอให้ทู่มันหมดดอกก่อนอื<ม>พอทู่หมดดอกแกเปิดประตูตู้ปรากฏกุญแจใช่ไหม ในตู้เนี่ยมันแบ่งเป็นสองชั้นซึ่งถ้ามองอเด็กมันไม่น่าเข้าไปขดตัวได้แต่เด็กคนนี้นอนขดอยู่ในตู้เด็กเข้าไปอยู่ในตู้ด้วยนะใช่ค่ะแล้วตู้เนี่ยคุณแจ๊กพี่ดูเลยมันไม่มีตัวล็อกเลยครับมันเป็นไม่เป็นไม่ได้ที่จะดึงไม่ออกไงฮะคือแค่ผ่านประตูห้องเก็บของเข้าไปเราเราต้องคิดแล้วเด็กเข้าไปได้ยังไงใช่แล้วอันเนี้ย คือเท่าที่พี่มองลักษณะของตู้เนี่ยคุณแจ็คเชื่อไหมถ้าไปชาร์จไม่กี่ชั่วโมงเด็กตายนะคะเพราะในตู้มันพึมอ่ะคือนึกถึงตู้ที่มันทึบๆืบบเดี๋ยวนะคือตอนที่เห็นน้องอ่ะพี่พี่ปูครับน้องนอนขดแบบมีสติหรือว่าหลับหรือสลบหลับค่ะหลับเนอหลับเลยแล้วหายใจแบบคือเด็กแบบหายใจอ่อนมากอ่ะเด็กประมาณกี่ขวบพี่ปูโอ้ยเพิ่ง ห้าขวบกว่าอเองครับยังเล็กอะค่ะอออออคือเหมือนก็เข้าไปเล่นกับพวกพี่เขาอะนะทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่นคนนี้คมันอยู่ตรงที่ว่าคนพี่ก็ไม่อยู่<อ>เราก็เลยแบบต้องต้องหากันต่อค่ะทีนี้คนดูแลเขาก็เลยบอกว่านี่แสดงว่าคือที่หายเนี่ยเด็กผู้ชายตั้งคู่ใช่ไหมครับเ ล, ลกาก็บอกว่าใช่อืเขาก็เลยพูดประมาณว่า อเหมือนกับด้วยความที่เป็นเด็กแล้วเอขาพูดตํานิเหมือนผีผู้หญิงต้องการลูกอ่ะค่ะคือส่วนมากเขาเขาย้ําถามว่าเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมใช่ใช่แสดงว่าคขารู้อะไรบางอย่างแต่การเนงผู้หญิงไม่หายนะคุณแจ๊คแล้วนี่เป็นผู้ชายสองคู่แล้วอายุห่างกันแค่ปีกว่าเองครับตนเนี่ยยังไม่เจ็ดขวบเลยออก็ก็เลยแบบเราจะให้ทํายังไงเขาบอกก็ต้องหาอืมยังไงก็ต้องช่วยกันหาคือแม่เด็กอะ เขาไม่ไหวแล้วไงคะคคแล้วเลยต้องให้เอาคนเล็กเนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนอืแล้วเราต้องหาคนโตต่อให้เจอคือวินาทีเนี้ยเอาละผีหลอกก็หลอกอะ่ะคิแถึงแค่นี้ก็ปรากฏว่าหากันเท่าไหร่ก็ไม่เจออืจนจนคนที่ดูแลเขาให้แม่เด็กจุดธูปแล้วบอกว่าให้ให้ขอบอกว่าขอลูกคืนอะไรก็พูดไปคือให้ให้พูดแบบเหมือนกับ ให้ขอเขาคเขาก็เลยจุดธูปพอจุดธูปเสร็จแกก็ให้อพไปปักที่ต้นตะขบครับพอไปปักที่ต้นตะขบสักพักใหญ่ๆอ่ะคุณแจ็คก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ครั บ, รบก็เลยสาดไปฉายขึ้นไปปรากฏว่าที่กิ่งบนออบนเลยนะคุณแจค็ค่ะเป็นผู้หญิงนั่งอยู่แล้วเด็กคนนี้นั่งอยู่ข้างแล้วผู้หญิงคนเนี้ยกอดเด็กคนนี้อยู่อ ทีนี้แม่เด็กแบบเหมือนหมดแรงอ่ะคคือนั่งลงไปเลยแล้ร้องไห้โฮเลยแล้วบอกคือย้ําแต่ว่าคือขอลูกเขาคืนได้ไหมขอลูกเขาคืนได้ไหมแล้วคุณแจ็คือต้นตะขบสูงมากอ่ะครับแล้วอยู่ดีเหมือนคือผักเด็กตกลงมาอ่๋อโอ๊ยผักเด็กเด็กอ่ะที่นั่งนั่งอยู่อ่ะคือเหมือนเด็กกระโดดลงมาเหมือนไม่คุณดันหลังอ่ะ คือนาทีนั้นถ้าคนงานพี่ไม่เร็วนะออืคว้าเด็กไม่ได้เด็กเขหาหักตายคุณแจ๊คครับครับครค่ะแล้วทีนี้พอพอรับได้ปุ๊บเนี่ยข้างผู้หญิงเท่านั้นเขาก็เหมือนเขากรีดร้องอะะ่ะค่ะพอกรีดแบบเสียงอนี้มากพอพวกพี่คว้าเด็กได้อะไรได้ก็พากันแบบคือเหมือนกับคือจับเป็นวิ่งกันออกมาจากที่เลยอะครับขนาดวิ่งออกมาแล้วคุณแจ๊คคือเสียงกรีดร้องเสียงอะไรก็คือคือเหมือนยังดังอยู่อะ่ะยังดังจนแบบ จนพี่ออกมาถึงท่านหมงข้างนอกแล้วอ่ะครับทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าทําไมเขาถึงไม่ล้อมรั้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันต้องล้อมรั้วแล้วนะถ้าไม่ล้อมรั้วเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้อีกเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะลูกคนงานพี่เด็กแถวนี้ที่เป็นลูกชายหรือชาวบ้านที่ก็มีลูกชายอ่ะอันตรายานะจังหลายบ้านออือแล้วถ้าเขาจะเอาเด็กไปเป็นลูกจริงๆครับ สักวันเขาก็ต้องได้ไปอือ่พูดดูแลบอกว่าลูกชายเขาไม่ให้กัน้นเพราะว่าหนึ่งคือสมัยก่อนเขาไม่นิยมกั้นที่ถ้าพระคุณแจค็คจําได้นะอืมสมัยก่อนเขาจะไม่นิยมกั้นที่เวลาเขาทุบทิ้งเขาก็จะปล่อยลงลงสองเขาบอกว่าที่ดินนะ่ะเพราะกั้นที่เวลาเขาไปดูมันไม่สวยอื่าเขาก็พูดอย่างนี้พี่บอกว่ามันมันถ้าเด็กมันหา ย, ห, ายหรือมันตายมันก็ไม่สวยนะ ก็าจริงๆงานเนี้คือเด็กสองคนตายแน่ถ้าถ้าแบบเหมือนกบลรงไม่ได้ไปช่วยก็เลยก็ก็คุยกันแต่ว่าด้วยความที่เราไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้อ่ะคุณแจเพราะว่าเขาว่าอ่าใช่อืพี่ก็เลยได้แต่เตือนคนงานพี่ครับก็ปรากฏว่าก่อนพี่กลับแค่ไม่กี่วันลูกชาวบ้านแถวนั้นนะคะเป็นเด็กผู้ชายตก ต้นตะขบคอหักตายเฮ้ยเฮ้ยเอาไปจนได้เลยอะได้ค่ะได้เป็นคนนึงต้นตะขบคอหักตายครับเขาก็เลยคนดูแลเขาก็เลยตัดสินใจว่าคือถ้าอย่างนั้นอะคือต้องฟันต้นตะขบทิ้งออืก็ปรากฏลูกชายเขาบอกว่าฟันไม่ได้ครับเพราะต้นตะขบต้นนี้พ่อเขาห่วงมากโอ้ห ก็เกิดการเหมือนเถียงกันนะคะเถียงกันอะไรกันครับโ้วบังเอิญเหมือนเหมือนโชคด้วยมั้งคุณแจ็คตรงที่ว่ามันมีคนมาซื้อที่ดินไปพอดีครับทีนี้พอคนมาซื้อที่ดินเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจคือโคอน่นต้นตะก บ, บทิ้งครับลวางทุกอย่างออกหมดออืแล้วก็ตัวที่เป็นอ่าเฟอนิเจงร์เนิเจอร์เนี่ยเขาก็เลยเอาออกมาขายทอดตลาดครับพี่ก็ เหมือนกับพอพี่ย้ายกับนครพนมอะ่ะ uh. พี่ก็เลยเหมือนกับไม่ได้รู้ข่าวทางนั้นเลยใช่ไหมคะครับท uh. ีนี้พอดีเหมือนกับมีจังหวะหนึ่งที่ที่พี่ต้องกลับไปเพื่อที่จะไปเอาเอกสาร uh. พี่ก็เลยมามาลุ้ว่ า, าเจ้าของที่ที่ซื้อเนี่ย uh. ด้วยลูกลูกสะใภ้เขาท้อง uh. แล้ววันที่มามาดูที่กันคือหลังจากซื้อเรียบร้อยแล้วเาก็มีโครงการว่า จะมาปลูกบ้าน่ะคุณแจ็คลูกสไปซ์คนที่ท้องอ่ะปรากฏว่าเดินนะคะอืมแล้วไปนั่งอยู่ที่ตอต้นตะขบอืมอยู่ดีๆคือร้องกรี๊ดขึ้นมาใช่ไหมนะแทงค่ะแท้งเลยอ่ะฮะแท้งอ่ะแท้งโดยที่ว่าเขาบอกว่าคือนั่งนั่งอยู่เนี่ยหเขาบอกอยู่ดีเขาปวดท้องมากออืปวดท้องเหมือนเหมือนมัน มันมีอะไรเข้าไปแบ บ, บทุ้งอยู่ในท้องตัวเองพอลุกปุ๊บอะค่ะ<อ>ล้มหน้าคว่ำท้องกระแทะพื้นเลยคุณแจค๊คก็แทงอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะค่ะปวดมากอืมค่ะแล้วก็เลยเขาก็รักษาหนี้พอเสร็จแล้วไปโรงพยาบาลครับสิ่งที่สิ่งที่เขาแปลกใจคือลูกสาวเขาอืเป็นคนอีสานครับแต่ พอไปถึงลงมาตอนไม่มีสติะคะ่ะพูดแต่ภาษาจีนคุณแจ็คพัามเป็นภาษาจีนแบบลัวเลยอะคะ่ะแบบพูดเหมือนตัวเองไม่มีสติไม่มีอะไรเลยเขาก็เขาก็เลยต้องต้องหาคนที่พูดภาษาจีนเป็นเนี่ยมาฟังอพอมาฟังเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องตามสินแสแล้วนะอย่าโดนผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เขาก็ไปทำวิธีทำอะไรกันที่มารูมารูตอนหลังตรงที่ว่ารู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับกับคนที่ซื้อที่อะค่ะจนเขาต้องประกาศขายเต่า อ, อ, อีกทอดหนึ่งเฮ้ยทำไมเอาแต่ใจจังเลยอะคือแบบมันโอ้โหเฮ้ยเหตุผลแบบคือต้องการที่อยากจะมีลูกมีทายาทก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ ผมว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าเป็นเป็นวิญญาณที่นิสัยไม่ดีมากแล้วคนแจ็คเชื่อไหมว่าับตันเหล็กดัดที่พี่เล่าให้ฟังครับครับตอนหลังเนี่ยอ่านายว่าคนพี่ไม่แน่ใจนะว่าเขาขายให้ใครไปครับปรากฏเขาก็ยังมีคนไปเห็นว่าอจ็กคนนี้อแปคนเนี้ผูกคออยู่กับเหล็กอันเนี้ยครับ ค่ะคนที่ได้เหล็กไปนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเอาไปกองสุดท้ายไปกองอยู่ที่รับซื้อของเก่าหรืออะไรเนี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าซาลิงเนี่ยเขาเอารถไปจอดครับไปจอดเสร็จเขาก็เห็นมีคนเนี่ยผูกคอนั่งพิงไอ้เหล็กอันนี้อยู่ก็คือยังเหมือนกับเหมือนแกไม่ไปไหนอะแกก็ยังอยู่กับไอ้เหล็กที่แกเส้นที่แกผูกคอตายนั่นแหละผมว่านันเป็นเรื่องที่ ที่แกต้องเวียนไหวอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกันนะฝ่ายหญิงก็เหมือนกันผมว่าโอ้โหก็จังสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบ่วงกรรมให้ตัวเองก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นไงเออ ไ, ไปเอาลูกคนอื่นเขาอะ่ะอันนี้คือคือตามตามความคิดเห็นส่วนตัวนะคุณผู้ฟังนะฟังเรื่องนี้แล้วก็แบบ โ, โหเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นกับที่ตรงนี้ หมายถึงว่าที่ตรงนี้เนี่ยคือเจ้าของใหม่ที่มาซื้อต่อไปก็ต้องขายทิ้งไปหลังจากนั้นที่ตรงนี้เป็นอะไรไปก็ไม่รู้รอ่ะพี่ปูก็เห็นเขาบอกว่าขายต่อกันหลายทอดอนแนจ๊เพราะว่า<อ>ทุกรุ่นที่มาซื้ออะมักจะมีปัญหากับผู้หญิงในบ้านที่ท้องอะคะ่ะแล้วก็นายว่าเท่า<อ>ที่พี่ได้ยินตอนที่ก่อนก่อนที่พี่จะเลิกทาไม้เพราะพี่ทาไม<อ>้ทิ่ได้ตั้งสี่ี้าปี เขาพูดตำนองว่าผู้หญิงคนนี้ก็ยังอยู่ในที่ดินผืนนี้นะคุณแจ็คอืมอืมอ่าแล้วคนส่วนใหญ่จะเจอกันตรงแถวตอท่อมตะขบด้วยครับก็ขนาดสร้างบ้านอ่ะเขาปลูกบ้านอ่ะขึ้นแค่ครูอ่ะคุณแจ็คไฟไหมอ่ะครับอู้หอ่าแล้วก็อ่าลูกสาวเขาที่ท้องอ่ะก็โดนไฟคลอกอยู่ในนั้นด้วยโอ้คือมันเหมือนกับคือที่ดินผืนเนี้ยมาทําอะไรคือ คนมักจะมีปัญหากับผู้คนในบ้านที่ท้องอะค่ะเรียกว่าเป็นที่ดินอาถรรพ์ได้ไหมพี่ปูน่าจะได้นะเพราะว่าล่าสุดที่พี่รู้อ่ะไม่ว่าเขาเขายกให้ทํามูนิทีหรืออะไรไม่รู้เพราะปัจจุบันนี้อู่หลายสิบปีแล้วคุณแจ๊คครับรู้แต่สุดท้ายก็บริจาคให้วัดหรือยังไงนี่และค่ะใค่ะคือผมว่านะถ้ามันหนักหนาสาหัสแบบนี้เนี่ยนะคือต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอะต้องปราบให้ได้อ่ะ ใช่ไหมจะนิมนต์พระมาหรือจะไปเชิญหมอผีหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าอ๋อเขาทำแล้วอ่ะอืมลดน้ํามนต์ก็ลดแล้วคุณแท๊กฮะฮะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้เออเหมือนติดติดเขายาว่าเขาแทนมากครับแล้วแล้วเท่าที่ได้ยินอ่ะเขาพูดทานองพระท่านพูดว่าด้วยผู้หญิงคนนี้เขาตายด้วยแรงอาฆาตด้วยครับเขาอาฆาตเยอะด้วยเพราะว่าเขาท้อง S <S 2> <S 2> แล้วก็ไปฆ่าเขาตายไงฮะเขาบอกผู้หญิงคนนี้คืออาฆาตด้วยเนี่ยก็คือความอาฆาตเนี้ยก็ยิ่งจะสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองมันก็ไม่มันก็ไม่จบไม่สิ้นอยู่อย่างเงี้ยผมว่าตัวเขาเองนะเรื่องของถ้าเป็นวิญญาณเราพูดถึงภูมิภพภูมิหลังความตายไปก็แล้วกันผมว่าตัวเขาเองก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมอยู่อย่างเงี้ย ไม่ได้ไปไหนกะทีมีคนเจออันนี้ด้วยนะคุณแจ๊คเขาบอกว่าคือขับรถผ่านแล้วมีผู้หญิงขอให้ช่วยไปเจอผู้หญิงท้องอืทีนี้เอาผู้หญิงอขึ้นรถเพราะขึ้นรถปุ๊บคือเหมือนกับเลือดทะลักออกที่ออกมาเลยค่ะพักๆๆๆๆแต่ผู้หญิงกับหัวเลาะแล้วก็เหมือนกับไม่นี่คือคนอ่ะเจอบ่อยนะเจอในสภาพเนี้ย บางคนคิดว่าตัวเองได้ช่วยเขาไงฮะและพอเอาผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถก็จะเจอในสภาพเนี้ยเป็นประจําอืมำจนจนเหมือนกับคนชาวบ้านก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าเจอผู้หญิงท้องร้องขอให้ช่วยหนะที่ปืนเนี่ยคุณไม่ต้องจอดรถช่วยเลยคุณขับรถผ่านได้คุณขับผ่านไปเลยครับนะ อ, อคือถ้าเจอลักษณะแบบนี้ผมเคยได้ยินได้ฟังมาแบบนี้นะถ้าเขามีแรงอาฆาตขนาดนี้นะคุณผู้ฟังพี่ปูนะครับ คือถ้ามันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันหลังชนฝาแล้วผมว่านะเราใช้วิธีการในคนที่โบราณเขาบอกมาผีจะกลัวอย่างหนึ่งวิญญาณจะกลัวอย่างหนึ่งที่สุดก็คือการสาบแช่งยิ่งสาบแช่งให้เขาไม่ไปผุดไม่ไปเกิดอันนี้เขาจะกลัวมากอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าสมมุติว่ามันร้ายแรงขนาดเนี้ยผมว่าต้องใช้วิธีการแบบนี้แล้วล่ะคือต้องตาต่อตาฟันต่อฟันไปเลยอะ่ะจะหาว่าผมแบบโหดร้ายไปก็ก็ๆๆๆๆๆๆๆ ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามาทํากับลูกหลานผมแบบเนี้ยผมก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันเลยว่าผมจะขอสาบแช่งให้คุณไม่ไปผุดไม่ไปเกิดอีกร้อยภพชาติพันชาติอะไรก็แล้วแต่ผมว่าอันเนี้ยมันเขาน่าจะมีความรู้สึกเกรงกลัวอะไรบ้างเพราะเขาอยู่ในโลกหลังความตายเขาต้องเขาต้องรู้อะไรมากกว่าเราว่าเนี่ยในโลกของเขาอะ่ะมันมีความ ท, ทุกข์ทรมานมันมีอะไรมากกว่าในสิ่งที่มนุษย์อย่างเราจะได้เห็น เออมันมันต้องแบบนั้นแล้วนะนะฮะผิดแต่พี่พี่ก็เข้าี่รู้บางคนเขาก็อยากได้นะอย่างพวกไปลองวิชาไปอะไรก็เยอะแต่ส่วนใหญ่พี่มองว่าบางครั้งแรงอาฆาตมันมันน่ากลัวครับตรงที่ว่าบางคนไปต่อให้มีของดีบางคนก็สู้แรงอาฆาตไม่ได้ครับ บางทีก็เป็นเป็นออกมาในรูปนี้เ <ฮ Manager. S 2> หมือนกันนะคุณแจ๊คฮ่าก็นั่นแหละมันเป็นมันเป็นเรื่องที่พูดยากกับเรื่องพวกเนี้ยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับลุกวานผมนะพอผมทําอะไรไม่ได้จริงๆไม่มีใครทําอะไรได้จริงๆอย่างน้อยเนี่ยผมก็ได้ตาต่อตาฟันต่อฟันกับเขา favor. อ่ะเออโหดมากเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องของต้นไม้เจ้าปัญหาเป็นต้นตะขบใช่นะฮะทุกวันนี้ที่นี้น่าจะถูกบริจาคให้กับวัดไปแล้ว ใช่อะจะพี่ก็ไม่รู้<ด>แล้วแหละว่าเขาจะไปสร้างอะไรต่อไปยังไงครับผมเขาที่รู้น่ะคือเปลี่ยนหลายรุ่นมา ค, <Philadelphia. S 2> คือแบบเหมือนขายทอดไปเร <ADHD. S 2> <ะ>ื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าที่เนี้ยถูกมอบให้กับวัดไปแล้วผมว่าน่าจะเบาลงน่าจะเบาลงเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นพื้นที่ธรณีสง์ไปแล้วน่าจะไป<ช>ทําประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับงานบ่งงานบุญอะไรเยอะๆผมว่าอย่างน้อยเนี้ยก็ทําให้เขาเบาลงได้น่ะ อ่าก็ที่เราหวังไว้อย่างนั้นนะครับครับนะโหสนุกจังเลยพี่ปูเรื่องนี้นะครับต้นไม้เจ้าปัญหาพี่ปูยังคงเป็นคนที่เล่าเรื่องได้แบบสนุกเหมือนเดิมฮะพี่ปูคร่ะ ข, ข, <อ>ขอบคุณมากๆาานะครับสนุกเนาะ อ, อย่าคิดมากถูกต้องฟังอเอาสนุกเมื่อกี้ผมอาจจะมีอารมณ์นิดนึงแค่ฟังแล้วมันโกรธไงโกรธแบบเฮ้ยทําไมต้องมาเอาชีวิตของเด็กที่ไม่รู้อิโนอิเนในแบบเนี้ย ก็ด้วยที่อยากจะบอกว่าด้วยอาชีพของพี่มันเป็นอาชีพที่มันทําให้เจอเจออะไรหลายๆอย่างบางคนอาจจะมองว่าทําไมเจอเยอะแยะพี่อยากให้มองด้วยว่าบางครั้งอะความอํานวยอะมันอยู่ที่สิ่งที่เราทําครับเพราะฉะนั้นพี่อยู่กับป่ากับเขาเข้าลึกเข้าดงเพราะฉะนั้นมันมันเป็นอะไรที่ทําให้พี่เจอเรื่องคํานองเนี้ยบ่อยอืม แล้วยิ่งเป็นเรื่องในสมัยก่อนในอดีตนะพี่ปูโอกาสที่จะเจอเรื่องพวกเนี้ยมันมีโอกาสสูงถูกต้องครับแล้วแล้วเจอพี่อยากให้ฟังหนึ่งคือคุณอย่าเอามาเป็นอารมณ์ครับคุณตรงที่ว่าเอ้ยไม่สนุกเลยเป็นเรื่องแต่งเรื่องอะไรอยากคุณฟังแล้วคุณคิดว่าทุกเรื่องที่เล่ามันมีข้อคิดถูกต้องอืมน่มีอารมณ์แบบผมเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะคือผมโกรธโกรธผีเฉยแบบเฮ้ย ทําอะไรกับเด็กไม่รู้อิโนโหรอินเนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนแตพี่โกรธนะตรงพี่ว่าถ้าเด็กคนนั้นตายนี่พี่<ถ>ก็คงคงแช่งเอาเรื่องมกันแหละถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเก็บเอาไว้ใช้นะครับแน่นอนว่าเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของเวรเรื่องของกรรมเรื่องของความอาฆาตแค้นอะไรพวกเนี้อีกในยะหนึ่งคือฟังเอามันฟังเอาสนุกฟังเอาให้มันตื่นเต้นก็แล้วกันเนาะพี่ปู่เนาะ นะะอ่ะพี่ปูอขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมทิ้งท้ายพี่ปูดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เอาเรื่องพวกนีงง้มาเล่าให้พวกเราฟังอีกต่ อ, ตอไปนะได้ได้ติดค้งเรื่งงองกระสืงเอาไว้เนาะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าได้เลยพี่ปูสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะครับได้จ้าโอเคขอบพระคุณครับพี่ปูจ้าสวัสดีค่ะหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซับสไคร c h annel the ghost radio official กันด้วยนะครับ <c oughs>